เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สิบหกหน้าเก้าสิบเจ็ดขึ้นตรงคำพังเพยบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายเพียงทำเพื่อรักษาสถานภาพแห่งตนไว้เท่านั้นเอง และต้องดีดีด้วยไม่ดีก็ไม่ยอมเอาอันนี้มันต่อมาจากไอค่าวที่แล้วอะนะเขาก็เลยยกสำนวนนี้ขึ้นมาทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายเรากำลังศึกษากันเรื่องของอีโก้นะเรื่องตัวกูของกูเนี่ยเมื่อฉันคือโลก มีให้ถูกชะล้างแต่กลับมีแต่เพิ่มพอกตลอดเวลาในที่สุดโลกก็ไม่ได้เป็นฉันอีกต่อไปแต่กลายเป็นฉันคือจักรวาลแทนและเมื่อ น, นั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรกันคือพูดง่ายว่าให้ความสาคัญกับตัวเองเนี่ยตอนแรกก็ให้ระดับหนึ่งคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปอะไรอคิดว่าตัวเรายิ่งใหญ่เนี่ยทีเดียวก็คิดอย่างนั้นเลย ใหญ่เลยทีเดียวมันไม่ใช่เราไปสังเกต ด, ดูตัวเราเองแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็สะสมค่อยๆสะสมความใหญ่หรือว่าพูดง่ายๆว่าค่อยๆสะสมความเชื่อมั่นในตัวเราเองมันก็ค่อยๆสะสมไปทีนิดทีนิดทีนิดถ้าตอนเด็กๆตอนที่เรายังไม่รู้อะไรเอาพูดง่ายบางทีเรามาทํางานหรือว่าเรายังไม่รู้อะไรเรายังมือใหม่เงี้ยไปสังเกต ด, ดูสิใครจะว่าใครจะติใครจะ สอนใครจะเตือนนี่แหมนอบน้อมแล้วก็รับคําอย่างดีทีโดนว่าโดนอะไรก็รู้สึกว่าพร้อมที่จะแบบว่ารับฟังแล้วก็เอามาปรับปุงเอามาแก้ไขแต่พอเราทําสิ่งนั้นชักนานเข้าชักนานเข้านานวันนานเดือนดานปีหรือแม้แต่ถ้าอยู่วัดก็แก่วัดมากขึ้นแก่วัดมากขึ้นตอนนี้แหละใครจะติใครจะว่า นะเริ่มเป็นสะพ้ายเก่าแล้วไม่ใช่สะพ้ายใหม่นี่แหละมาใช้สํานวนสะพ้ายใหม่ได้นะถ้าใหม่ๆแล้วก็จะอย่างหนึ่งแต่พอนานเข้าพอเริ่มเก่าแล้วคราวนี้นะมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วมันจะเริ่มไม่ใช่แค่ตัวกูของกูแค่เล็กๆเ่ยแต่ตัวกูของกูจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยตามอะไรตามหนึ่งการละเวลา กาลเวลานานเข้านานเข้าตัวกูของกูจะใหญ่ขึ้นนะตอนนี้ไม่ใช่แค่การเวลายังเรื่องของตำแหน่งหรือว่าหน้าที่หรือว่าฐานะที่รับผิดชอบถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่หรือภาระรับผิดชอบที่เริ่มใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะมียศมีอะไรที่มากขึ้นคราวนี้แหละตัวกูของกูจะเริ่มใหญ่ตามขึ้นไปนะถ้าใครไม่ระวังจิตนะมันจะใหญ่ตามขึ้นไป ตอนแรกเรื่องเวลาตอนที่สองนี่เรื่องตำแหน่งฐานะนะอย่างที่สามที่มันจะเป็นความใหญ่ที่ตัวกู่ของกูใหญ่ก็คือความที่เรียกว่าทํามาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วหรือว่าหรือว่าอะไรอะ่ะหรือว่าเหตุการณ์สถานการณ์มันบังคับทำให้เราต้อง ตัวกูของกูต้องใหญ่ขึ้นนะตามสภาพตามเหตุการณ์หรือว่าตามอะไรอะ่ะสิ่งที่มันจะมาเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คนนั้นเลยไม่ได้ต้องตัวกูของกูต้องต้องใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่ใหญ่นี่อยู่ไม่ได้เข้าใจไหมคือบางคนจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างเช่นสภาพสังคมบีบคั้นอย่างเงี้ยที่ทําให้รู้สึกว่าโอไม่ใหญ่ อยู่ไม่ได้ไม่รอดนะเดี๋ยวคนเขาขมตายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบแหม่ไม่ได้เรานี่ก็ต้องแน่เหมือนกันเรานี่ก็ต้องหนึ่งเหมือนกันต้องหนึ่งในตองอุหรือว่าหนึ่งในสันติ <c oughs> หนึ่งในสันติอโศกไม่ได้หรอกนั่อยู่ไปเดี๋ยวขมชั้นตายเลยไม่ได้นะเดี๋ยวเล่นโอ้ใช้งานชั้นสารพัดเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ ฉันก็ต้องแข็งเหมือนกันฉันก็ต้องแน่เหมือนกันเพราะนั้นใครจะมาทําเป็นบงการมาใช้งานมาอะไรไม่ได้ เ, เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอะไรอะ่ะยืนหยัดยืนยันเนี่ยความเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันก็ดัดตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์ที่ทําให้คนนี้ก็ต้องใหญ่ขึ้นอันนี้เนี่ยยกตัวอย่าง3มอย่างซึ่งเราพอจะเห็นได้ว่าเออมันทําให้เราเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วบอกแล้วว่ามันจะใหญ่ไปตาม การและเวลาด้วยที่คนนั้นสะสมถ้าคนนั้นไม่รู้ตัวเนี่ยปล่อยให้มานะอัตตาตัวนี้เนี่ยเนี่ยมีคือมานะอัตตาปล่อยให้กิเลสมาณอัตตาตัวเนี้ยมันพอกเพิ่มเลยมันพอกเพิ่มเลยมันพอกเพิ่มด้ว ย, นว ย, นวยคนนั้นก็จะยิ่งยึดทิ่ฐิที่ตัวเองคิดว่ามันถูกและมันดีแล้วเนี่ยว่าวิถีชีวิตเราหรือวิธีการคิดเราเราคิดอย่างนี้แล้วเราอยู่รอดได้แน่ในสังคมนี้ เพราะมันจะยึดอันนี้ยิ่งนานวันมันก็ยิ่งฝังลึกนะยิ่งใหญ่ยิ่งเบ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งนานวันก็จะยิ่งจมไม่ลงเลยชนิดที่เรียกว่าใครจะมาอะไรอะ่ะทําให้เราเล็กลงเนี่ยไม่ได้เพราะเราต้องใหญ่ตลอดการมันยิ่งนานก็ยิ่งใหญ่ครับครับครับที่คับทางนะบางคนใหญ่จนเสื้อผ้าชักจะใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย นะนั่นแหละใหญ่กันคนละอย่างนะบางคนก็กินเอา้ากินเอาใหญ่อยู่เรื่อยเลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแม้ลดไม่ลงทุกทีบางคนเนี่ยนะดูเอาอันนั้นใหญ่ทางกายแต่อีกอย่างนึงก็คือใหญ่ทางจิตนะจิตมันใหญ่บางคนที่ตัวเล็กโอ้โหตัวเล็กนี้เดียวพร้อมก็พร้อมนะนะแต่ใจใหญ่เหลือเกินนะ จิตฉันนี้เชียกว่าไม่กลัวฟ้ากลัวดินฟ้าจะถล่มดินทลายไม่มีปัญหานะสู้ได้สบายมากจริงๆไอ้อีโก้เนี่ยไอ้มานะอัตตาเนี่ยจริงๆต้องมีทุกคนแหละเข้าใจไหมหนีไม่พ้นหรอกร้าตาบดยังขนาดมจริงๆเ ป, เป็นพระทหารนี่ยังมีเลยนะมานะอัตตาแต่ว่ากลายเป็นมานะอัตตาที่ดีแล้ว ที่ไม่มีกิเลสอ่าเป็นกุศลละเป็นมานะอัตตาที่เป็นกุศลแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปเนี่ยเรามากักจะมีมานะอัตตาที่เป็นกิเลสอ่าคือมกักจะทําไปตามความชอบความชังหรือว่าอะไรของจิตเราที่เรายึดเอาไว้มันมกักจะทําไปตามอํานาจของกิเลสแต่พอเราฝึกปลือเราปฏิบัติมากขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยไอ้กิเลสเรามันลดลง เพราะนั้นพูดง่ายว่ามณะอัตตาที่ดีของเราเนี่ยอีโก้ที่ดีนะที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมณะอัตตาที่เลวที่ชั่วเนี่ยมันก็จะลดลงลดลงลดลงเพราะมันก็มีอีโก้นะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่ามันมีอีโก้ที่ดีขึ้นที่ดีขึ้ น, น, น อ, อะไรนะยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เอาอย่างเช่นอยากจะได้เป็นพระโสดาบันโมโหก็พยายามนี่นีนี่ก็ยึดเหมือนกันนะใช่ไหมยึดแล้วก็เอาสมมติว่าสร้างเป็นมานะอัตตาหรือเป่าต้องเอาให้ได้ชาตินี้อย่า ง, งน้อยต้องเป็นโสดาบันให้ได้ต้องพยายามถือศีลห้าสร้างเขายึดเขานี่ก็เป็นอีกโก้เป็นมานะอัตตาแต่เป็นมานะอัตตาที่ดี อาอีโ ก, โก้ไม่ดีทําไมจะลองยกตัวอย่างมันก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วอ่าีก้อออีโก้ดีที่ต้องสัมพันธ์กับคนอื่นพูดง่ายว่าไม่เชิงมาทางศาสนาที่เห็นเป็นรูปประธรรมชัดใช่ไหมคือคือให้เห็นเป็นแบบอย่างที่พวกกรรยาณชนที่เขาอยู่กันกับคนโลกโลกนะก็ไม่ยากอะไรเลยอย่างเช่นเอา คุณอยากจะสร้างการเมืองที่ดีอย่างเงี้ยสร้างการเมืองที่มีคุณธรรมนะไม่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนเข้าไปเป็นข้าราชการก็ตามเข้าไปเป็นสอสอก็ตามก็พยายามที่จะมีอุดมการเนี่ยรู้ก็ไปอีโก้ทั้งนั้นแหละอ่าก็เป็นมานาอัตตาแต่ว่าเป็นมานาอัตตาที่ดีพวกที่มีอุดมการเนี่ยแหละก็คืออีโก้ทั้งนั้น ออหมายถึงว่าผู้พระเจ้าเนี่ยจริงๆพอท่านบรรลุแล้วแล้วท่านก็ประกาศตัวเองเลยบอกว่าไม่มีครูอาจารย์น่าตัดสรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองอย่างนี้ถือว่าเป็นอีกโก้ไหมใช่ไหมก็มเป็นสิเป็นอัตตาเป็นตัวตนเข้าใจั้มนี่แหละมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วแต่สำหรับผู้เจ้าเนี่ย เราไม่ได้พูดไปนในทางกิเลสไง mm. เข้าใจไหมเพราะท่านไม่มีกิเลสแล้วแต่เป็นอัตตาที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พอท่านบรรลุแล้วท่านก็จะมาสอนมาช่วยเหลือคนเนี่ยท่านยังถึงขั้นประกาศว่าว่าอะไรอะ่ะถ้าไม่ได้ครบบริษัทสนะพุทธบริษัทสถ้าไม่มีความแก้วกล้าอาจฐานที่จะปรับประวาติกับกับคนอื่นได้เนี่ย ท่านก็ยังจะไม่บริญิพานคิดดูสิวันนี้ไม่ใช่มานะอัตตาหรือยังไงนี่ก็เป็นเลยแต่เป็นแบบวิภวะตัณหาไงเป็นมานะอัตตาแบบที่เป็นวิภวะตัณหาจริงๆอีโก้มีทั้งทางบวกทา ง, ทงลบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เวลาเขาพูดกันเนี่ยเขามัดพูดแต่ในแง่ลบพูดแต่อีโกในแง่ลบเท่านั้นนะเวลาเวลาว่าคนเอาพูดง่ายเหมือนกับเขาว่ามานะเนี่ยโอ้คนนี้มานะอัตตา พูดไปเนี่ยหมายถึงว่าคุณคุณนี่ไม่ดีนะมันมันไปในทางไม่ดีเขาไม่ค่อยเอามาใช้ในทางที่ดีแต่ความจริงเนี่ยมันมันมีดีอยู่ด้วยอ่าอย่างเช่นบางทีเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงล่ะศึกธรรมะกับอธรรมเนี่ยธรรมมาธรระอะไรนะธรรมมาธรรมะสงครามเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าถ้าฝ่ายธรรมะก็ไม่มีอัตตาของฝ่าย ใช่ไหอย่างนี้ก็มีแต่อัตตาของฝ่ายอธรรมเท่านั้นน่ะสิอธรรมก็ยึดอยู่แต่อย่างนั้นแล้วธรรมะไม่มีอัตตาเลยนะไม่มีตัวตนเลยจะต้องไปลบทําไมอธรรมมาจัดการก็ยอมแพ้ไปซะก็สิ้นเรื่องแล้วใช่ไหมธรรมะก็ยอมแพ้ไปก็จบแล้วแต่ไม่ได้ธรรมะก็ต้องปราบธรรมให้ได้เหมือนกันเพราะนั่นก็ต้องขึ้นมาก็ต้อล้างล้างอธรรมให้ได้นะโดยภายนอกเนี่ยคนดีก็ต้อง ปาบต้องแก้คนเร็วเหมือนกันปล่อยให้คนเร็วเร็วอยู่ได้อย่างไงนะนี่มันก็เป็นมานาอัตตาเหมือนกันรวมไปทั้งคร้อนี้ไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นพูดถึงจิตวิญญาณเราเองอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาจิตวิญญาณที่ดีของเราเนี่ยปราบจิตวิญญาณไอ้ฝ่ายที่มันไม่ดีของเราเนี่ยลงไปให้ได้แม้อย่างนี้ก็เป็นธรมธรมมาธรรมะสงครามในในใจเราในจิตวิญญาณเราเรายังต้องปราบเลย เพรอาจารย์ถึงบอกว่าจริงๆมันมีอีโก้ที่ดีไงอีโก้ที่ดีเนี่ยมันจะต้องพยายามปราบอีโก้ที่ไม่ดีให้ได้อย่างวันนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยก็ขี้เกียจขึ้นมานะโอ้ไม่อยากทําอะไรเลยทํามาเยอะแล้วเหนื่อยมามากแล้วพอวันนี้นอนมันสักหยุดสักอาทิตย์หนึ่งนอนไม่ต้องทําอะไร <c oughs> มันก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องปลุกไอ้มาณอัตตาที่ดีขึ้นมาบอกอ๋อไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้อะไรทำไมจะต้องไปนอนอะไรก็นักหนา เดี๋ยวมันต้องขึ้นมาสู้กันแล้วซึกขึ้นมาสู้กันแล้แม้แต่บางทีเนี่ยเราโกรธใครเราเกลียดใครเราไม่ชอบหน้าคนนั้นคนนี้ใช่ไหมนี่นี่คือมรณะอัตตาที่ไม่ดีมันขึ้นมานะอ่ามันโกรธมันเกลียดมันอยากที่จะบางทีอยากจะดา่าอยากจะว่าอะไรเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้มรณะอัตตาที่ดีของเราเนี่ยก็ต้องขึ้นมาแล้วขึ้นมา แก้ขึ้นมาปราบขึ้นมาวิปั ส, สนาขึ้นมาทำให้มันบรรเทาลงนะทาให้มันจางไอความไม่ดีในจิตเราเนี่ยลงไปให้ได้นั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นสภาพนี้อ่านเดี๋ยวต่อไปว่าเขาบอกว่ามะนะอัตตาเนี่ยตอนแรกมันจะเล็กแต่ว่าพอปล่อยนานไปมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยนะแล้วแต่การสะสมถ้าคนนั้นสะสมไปเรื่อยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเพราะข่าวนี้จะเป็นการหลงตัวหลหลงตน อย่างเมามันที่สุดกูไม่กลับหลับไม่ตื่นเลยทีเดียวทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดก็กลายเป็นว่าเพราะตนเองต่างหากถึงก่อเกิดสิ่งนั้นๆขึ้นมากลายเป็นมีพระเจ้าองค์ใหม่ที่แข่งเป็นผู้สร้างมาถึงขั้นนี้ก็สุดที่จะช่วยได้จริงๆไม่ใช่พระเจ้าผู้สร้างจริงๆแล้วมันเป็นจิตวิ ญ, ญญาณเราทาั้งานบอกแล้ว ตัวมาณะที่ดีนี่แหละจริงๆแล้วถ้าพูดภาษาอย่างอย่างนี้นะก็คือพระเจ้าถ้าสร้างสิ่งดีเนี่ยเราเรียกว่าพระเจ้าเป็นเป็นตัวตนแบบพระเจ้าแต่ถ้าจิตที่ไม่ดีมาณะอัตตาที่เลวนี่เขาเรียกซาตานเป็นตัวตนเหมือนกันเป็นเป็นจิตวิญญาณเรานั่นแหละมันไม่ใช่อย่างอื่นหรอกมันก็อยู่ในจิตเราเนี่ยแหละแมไอ้ซาตานมันก็พยายามสร้าง พักพวกมันเพิ่มพระเจ้าก็ต้องพยายามสร้างพักพวกทางพระเจ้าเพิ่มเหมือนกันแต่พอมามาในทางศาสนาพุทธเราเราก็เรียกเทวดากับมารลบกันใช่ไหมพระเจ้าก็ใช้เป็นว่าเป็นเทวดาส่วนซาตานเราก็ใช้เป็นพวกมาร น, นั่นแหละมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อเรียกอะไรเท่านั้นเองแต่ความจริงมันไม่ได้แตกต่างอะไรหรอกมันก็จิต ด, ดีจิตเลวเราเนี่ยแหละ นาตอนี้ก็เขายกตัวอย่างฝนตกฟ้าร้องเพราะฉันประเทศชาติอยู่รอดเพราะฉันคนเดียวคนนั้นคนนี้ทํางานสําเร็จเพราะฉันฟ้าผ่าเพราะฉันคือเขาพยายามยกตัวอย่างที่จะเห็นว่าคือเออะไรก็ฉันทั้งนั้นแหละพูดง่ายเพราะว่ามันมันมันมั น, ม, นมันหลงตัวหลงตนมากๆกก็เลยฉันอยู่เรื่อยคืออันนี้เนี่ยเพราะคนนั้นหลงนะ ไม่รู้สารสัจจะแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆจกนกระทั่งว่าบอกว่าไอเหตุนั้นเกิดขึ้นไอเหตุนี้เกิดขึ้นเนี่ยนี่แหละเพราะฉันแหละแต่ส่วนใหญ่นี่อะไรรู้ไหมเหตุไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมักจะไม่ใช่เพราะฉันหรอก <c oughs> แต่ถ้าเหตุที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยนะฉันฉัน <c oughs> ถ้าโดยโดยกิเลสธรรมดาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ต่างจากที่เราเคยเราเคยพูดกันมาแล้ว นะใครจำได้ที่เราพูดกันถึงว่า mm. เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอ่าเพราะฉันเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่เรียกว่าข่าวนี้คนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจศัจธรรมนะรู้ศัจธรรมรู้ความเป็นจริงแล้วนะจนกระทั่งรู้เลยว่าเหตุมันเกิดที่ไหนของมุมโลกก็ตาม นะมันมาเกี่ยวเนื่องกับตัวเราทั้งนั้นแหละแต่คนนั้นจะรู้ถึงไหมตามสัจธรรมนั้นรู้สัจธรรมนี่หมายถึงว่าบางทีเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราเนี่ยแหละมีผลทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายนั้นขึ้นจริ ง, รงๆด้วยหรือว่าเกิดความดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีผลมาจากตัวเราเนี่ยกระทบกันไปจนกระทั่งทำให้เกิดเรื่องดีงามอย่างนั้นขึ้นมา แต่ต้องถามตัวคนนั้นเองว่าคนนั้นรู้สาระสัจจะธรรมะอันนี้จริงจริงหรือเปล่าแล้วไม่เพียงแต่รู้รู้แค่เป็นความรู้แต่คนนั้นเนี่ยจะต้องมียานมีปัญญาหมายถึงว่ามีความจริงของตัวเองด้วยรู้ว่าเพราะตัวเองทำอย่างนี้มีผลกระทบไปถึงอย่างโน้นแล้วทำให้เกิดเหตุอย่างงน้นขึ้นมาได้จะต้องรู้จริงจริงยิ่งจะต้องไม่ใช่รู้แค่ปัจจุบัน แต่จะต้องรู้อดีตแล้วก็รู้อนาคตได้ด้วยถึงจะถึงจะรู้สัจธรรมแทนนี้ได้เพราะผลกระทบต่างๆเนี่ยนะที่มันจะกระทบแบบเด็ดตอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมียานปัญญาจริงๆที่รู้อดีตทําไมต้องรู้อดีตรู้รู้ที่มาที่ไปนั่นเองหรู้รู้ต้นตอว่ามันต้นตอมันมาอย่างไงเพราะเราทําอะไรอย่างที่ท่ามาบอกนั่นะมันมีต้นตออย่างนี้มันมีผลกระทบไปจนถึงปัจจุบันอย่างนี้ แล้วพอปัจจุบันอย่างนี้แล้วมันจะไปเกิดผลอนาคตอย่างนี้คนที่จะต้องรู้ครบว ง, วงจรทั้งหมดแล้วก็ต้องรู้ขีดความสามารถของตัวเองเนี่ยอย่างแท้จริงด้วยไม่ใช่หลงตัวเองแต่รู้ความจริงของตัวเองตามความเป็นจริงถ้ามีคุณวิเศษหรือว่าบรรลุธรรมหรือว่าเป็นพระอาหารหรือว่าเป็นพระเจ้าท่านก็จะรู้จริงๆว่านี่แหละเพราะท่านทําอย่างนี้แหละมันถึงไปมีผลอย่างนั้น จะต้องรู้สัจจะความจริงอันนี้แต่ตัวอย่างที่เขายกมานี่คือไม่ได้รู้จริงเข้าใจไหมแต่หลงอันนี้เป็นความหลงที่คนนั้นเขาได้รับตำแหน่งเป็นนายกเนี่ยนะเพราะฉันเองเนี่ยฉันเลือกฉันลงคะแนนให้เนี่ยถ้าฉันไม่ลงคะแนนให้เนี่ยไม่ได้เป็นนายกหรอกนะจริงไหมก็มีส่วนจริงอยู่ด้วยใช่ไหม แตม่มันจริงแค่ไหนล่ะเข้าใจไหมสมมติว่าคะแนนเสียงจากนายกที่ได้ไปเนี่ยเอา้ามันจี่คะแนนนะทั้งหมดอะ่ะไอเราก็จริงเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่มีฤทธิ์มีอํานาจมีพลังขนาดนั้นหรือเปล่าล่ะเราเป็นเสียงสมมุติว่าแสนหนึ่งนะได้ได้คะแนนเสียง 10,000 แเลือกไปเออได้เป็นสอสอแล้วก็สสเข้าไปเลือกเป็นนายก เขายังไม่ออกเราจะทำมาดูใหม่ที่ให้เรื่องนายกโดยตรงเพราะฉะนั้นเรารู้ไหมล่ะว่าเออใช่มันก็มีส่วนนะแต่จริงๆเราแค่มีส่วนเข้าใจไหมเราแค่มีส่วนเท่านั้นเองส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งหนึ่งในแสนอย่างเงี้ยหนึ่งในแสนเนี่ยรู้ไหมล่ะว่าเราเป็นแค่หนึ่งในแสนแต่ถ้าแต่ถ้าคนหลงเนี่ยมันจะหลงวันนี้แหละ มันไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในแสนแต่คิดว่านี่แล้วนะเนี่ยถ้าคราวหน้านี่เนี่ ย, ยถ้าพูดไม่ดีทําอะไรไม่ดีเดี๋ยวคราวหน้าไม่เลือกเนี่ยเดี๋ยวอดเป็นนายก <c oughs> <c oughs> คือหลงตัวเอง <c oughs> บางทีตัวเองไม่เลือกเนะีเพราะเอาเถะเดี๋ยวคราวหน้าเกิดไม่ชอบใจนะตัวเองไม่เลือกใช่ไหมแต่คนอื่นเขายังเลือกกันอยู่อย่างเงี้ยนะคนนั้นก็สมมติว่าคนนั้นก็ได้เป็นนายกอีกแต่ตัวเองไม่เลือกแต่ว่าเขาก็ได้เป็นอีกเข้าใจไหม อันนี้อันธมากําลังโน้มมาให้เห็นถึงว่าว่าคนที่หลงตัวเองว่าแม้ตัวเองมีอํานาจมีอิทธิพลอะไรจกนกระทั่งสามารถที่จะบันดลบันดาลให้คนนั้นคนนี้เป็นนายกได้อะไรมันเกินไปมันเบ้อเกินไปพอจะเข้าใจไหมอย่างนี้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นจึงน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเพราะหัวใจเหล่านั้นจะชุ่มโชกไปด้วยน้ําตาทั้งชนิดเห็นชัดเป็นน้ําตาเผ า, เผาเผาเต่า และชนิดเห็นได้ยากเหลือเกินเรียกว่าน้ำตาลมเออเป็นยังไงน้ำตาลมลอลิงมมา้าน้ำตาลมคือยังไงมันแห้งๆนะนะมันไม่มีน้ำตาออกมาน้ำตาชนิดนี้มองไม่เห็นเพราะไม่มีรูปร่างตัวตนจึงหลอกเจ้าของได้แนบเนียนอย่างเหลือแสนดูเผินๆก็นึกว่าคงแข็งแกร่ง พระนงอาหางการแต่ที่แท้ก็เปราะบางเหมือนกันกระทบไม่ได้เป็นต้องร้าวพวกนี้จึงอึดเก่งอดเก่งยากนักที่จะสังเกตเห็นหากโลกเขาโศกเศร้าโดยร้องไห้พวกนี้ก็จะโศกเศร้าโดยหัวเราะแทนช่างหน้าแปลกอะไรเช่นนั้นนี่แหละน้ำตาลมละ มันเป็นน้ําตาที่ไม่ใช่น้ําตาแบบธรรมดาธรรมดาทั่วทั่วไปคือประเภทนี้บางทีพูดง่ายก็คือกดคมเก็บกดเอาไว้ได้เก่งอนะบางทีเขาหัวเราะกันนี่ก็ร้องไห้บางทีเขาร้องไห้กันก็หัวเราะ อ, อะไรเงี้ยทําเป็นมุมตรงข้ามเลยลนะอื่อแกล้งได้ เราผู้หลงค่าของตัวตลอดเวลาที่มีชีวิตจึงมีแต่การเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องอยังไม่รู้จักพอขอความเห็นใจความรักความสงสารจากผู้อื่นตั้งแต่ตื่นไปจนกระทั่งหลับแม้หลับไปแล้วก็ยังจะร้องขออยู่ในหัวใจอย่างหื่นกระหายทั้งเปิดเผยบ้างาทั้งเปิดเผยบ้างก็ซุกซ่อนพวกเขาจึงคือ ผู้ขออย่างแท้จริงเป็นวันิพกแห่งวิญญาณที่ถือกลาใบเล็กๆล่ลำร้องความการุณาความสงสารจากผู้อื่นเราจรึงพบมากมายในพฤติกรรมเชิงนี้นับตั้งแต่นะยกตัวอย่างการพิถีพิถันในการแต่งตัวนะนั่นตัวอย่างหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่งทำตัวให้เด่นโก้ บ้าๆ บ, บ้องๆแผงๆคืออันนี้เขากาลังจะพูดถึงว่าพวกที่เรียกร้องจัดเรียกร้องมากเรียกร้องจงอนกระทั่งต้องทำอะไรให้ปแปลกๆให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูสายตาคนดึงดูดหูคนบางคนก็ทำเสียงแปลกๆน่ากลนกวนหูเคยจะยินไหมาบางคนเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ ย, น, ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยทำเสียง แง่แง่อะไรต่ออะไรฟังแล้วควรภาษ า, าอะไรเงี้ยเพื่อเรียกร้องควา ม, วามสนใจนะอยากจะให้คนมาสนใจอยากจะให้คนอะไรอะ่ะมองดูอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ล้วนล้วนเป็นเด็กมีปัญหา <c oughs> นะหรือแม่เนี่ยจะแต่งตัวแผงแผงบ้าบบอๆอะไรต่างนานาะคือกลัวคนเขาจะไม่มองกลัวคนเขาจะไม่สนใจเพราะฉั้นพวกนี้ก็เลยต้องทําอาการอย่างนี้ขึ้นมา แม้จะมาเป็นนักปฏิบัติธรรมเอาละคราวนี้ใกล้ตัวละก็กิเลสตัวเดียวกันนี่แหละแต่ใส่เสื้อผ้าใหม่เสียกลายเป็นความที่จะรักให้ผู้อื่นมาเคารพศรัทธาอยากจะมีลูกศิษย์ลูกหาชอบอวดรู้อวดภูมิว่าเรานีหนอเก่งจริงๆชอบรบรูผู้อื่นอยู่เสมอเสมออ่าอันนี้ไปตรวจสอบตัวเราเองนะ เราเป็นบ้างไหมนะลองตรวจสอบดูอยากจะมีลูกศิษย์ลูกหาก็คือว่าเจอใครไม่ได้จะเทศอยู่เรื่อยนะให้ไปดูนะเจอใครไม่ได้จะสอนแหนสอนนอกธรร ม, มาน ะ, <c oughs> ะเสร็จแล้วก็ชอบอวดรู้อวดภูมินะ ไม่ถูกหรอกมันต้องอย่างนี้ <c oughs> นี่จะบอกให้ฟังอเอาใหญ่เลยนะทุกลมหายใจเข้าออกจึงมีแต่การเรียกร้องทุกวจีกรรมที่พูดออกมาจึงแฝงเล่ห์เล่ห์ดุดเบ็ดตกปลาที่มีเหยื่อเกี่ยวพันคอยล่อให้ปลาใหญ่น้อยมากระโดดพุบสิ่งที่พูดสิ่งที่แสดงออกไปจึงกลายเป็นมายาอันหน่าชัง แม้จะมีรูปอันสดสวยก็เถอะเพราะเจตนาในใจนั่นแหละคือตัวตัดสินกรรมที่ได้กระทําลงไปภาษาในประไตรปิฎกก็เห็นจะต้องเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่มีเจตนาลามกเป็นบุรุษแห่งโมฆะคืออันนี้เขาบอกว่าให้เราวัดกันที่กรรมที่การกระทําทําไมอ่ะทำไมวัดกันที่กรรมที่การกระทําฮะ เพราะว่าอะไรเพราะบางทีใจนี่มันมันดูใจกันยากใช่ไหมดูใจกันยากเพราะใจหรือว่าจิตของแต่ละคนนี่มันก็เป็นส่วนตัวของคนคนนั้นใครจะไปมองเห็นได้งไงใครคิดเสียงดังๆบ้ ง, งอ่ะใครคิดให้ได้ยินกันบ้างและอีกอย่างเราก็ยังไม่มีเจโตป ร, ริยานไม่สามารถที่จะมียานอย่างรู้ว่าจิตใครคิดยังไง บางคนยังคิดในใจก็จริงนะแต่คนที่เขามีเจโตปริยญาเจโตปริยญาเนี่ยเขาจะยินนะแม้จะคิดอยู่ในใจอา่าเขาจะยินว่าพวกคุณพยายามอย่าคิดอะไรให้มันมีเสียงอยู่ในใจให้มันมีเสียงอยู่ในใจอะเขาจะรู้มันไม่ใช่จะยินด้วยหูนะมันไม่ใช่อะไรเห็นด้วยตาแล้วก็ แต่สภาพ่าเป็นหูไม่ใช่ <c oughs> อ๋อลูแล้วคิดอะไรรอู้นะคิดอะไร <c oughs> เออรู้นะคิดอะไรอยู่เลอ้ม <c oughs> นมันไม่ใช่อ <c oughs> นมันพูดแบบว่าอ่า <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเซ <c oughs> ลกันซลกันอ้าวรู้นะคิดอะไร <c oughs> เอออ้ำอำบางทีอ้ำกั น, นเออแต่บางทีทก็ถูกบองกันจะฟุ้กๆก็ถูกกันโอ้คุณ <c oughs> เ, อเอาเอาเอาเอาธรรมดาเราก็แล้วกันไม่ต้องไปคิดถึงผู้วิเศษที่ไหนอะบางครั้งคุณก็เดาใจบางคนเขาถูกอ่ะเข้าใจไหมแต่นั่นเป็นการที่คุณเดาเข้าใจไหม เป็นการที่คุณเดาฟลุกกระถูกบ้างเหมือนกับหมอดูทั้งหลายเนี่ยฟลุกกระถูกบ้างอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผิดไม่ค่อยถูกหรอกฟลุกๆคนนั้นแหละถึงจะถูกได้แต่ผู้ที่มียานเนี่ยน่มียานเนี่ยไม่ได้เดาเขารู้จริงๆว่าคุณกำลังคิดอะไร <laughs> ไม่จาเป็นไม่จาเป็นต้องอยู่ตอนหน้า อ่ฮะไม่จําเป็นไม่จำเป็ น, ปนรู้ได้ไม่จําเป็นต้องขอบคุณเน่ ะ, ะก็รู้จากกรรมนี่ไงเราเนี่ยนี่เขาก็บอกรู้จากกรรมก็บอกละกรรมมันมีกี่อย่างฮะสามอย่างมีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ออกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เจตัวปริยานเนี่ยนั่นแหละ ก็รู้จากกรรมของพวกเราเนี่แหละเข้าใจไหมบางทีเนี่ยทางกายก็ออกมาให้เห็นบางทีทางวาจาทางกายออกมาให้เห็นก็ก็ถือว่ามีตาทิพนะถ้าถ้าทางวาจามีเสียงส่องออมาให้ให้ให้อะไรจับได้ก็ถือว่ามีหูทิพแต่ถ้าทางใจนี่ไม่รู้เรียกใจทิพวะ <c oughs> นะ สามารถที่จะจับได้แล้วก็ไม่เพียงแต่ว่ารู้ในปัจจุบันเท่านั้นไงอย่างที่อาจามาบอกจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้ามียานจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ไปถึงอดีตมักจะรู้อนาคตด้วยไม่ใช่รู้แค่ปัจจุบันถ้าถ้ามียานจริงแล้วนะ ม, มักจะจับจับเข้าไปได้ถึงอดีตแล้วอนาคต ฮะโอ้จะไปรู้ยังไงไม่ได้มียาวิเศษอย่างนั้นเนี่มาก็เดาฮะ <c oughs> แต่บางอย่างเนี่ยที่อาจมาบอกว่าเดี๋ยวคนนี้จะต้องอย่างนั้นนะ่ะนะไม่ใช่ว่ามีเจโตไปอะไรรู้คนนั้นนะแต่อาจามาบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยรู้จากพฤติกรรมเใจแม่ก็ยังเป็นเหมือนกับหมอดูหมอเดาอยู่ แต่ว่าเรารู้พฤติกรรมคนนี้เรารู้นิสยนัยคนนี้เรารู้จริตคนนี้ว่าเดี๋ยวอย่างเนี้ยถ้าสําหรับคนนี้แล้วเดี๋ยวออกอย่างนี้แน่หวยหวยล็อกหวยล็อกไว้เลยว่าเดี๋ยวออกอย่างนี้แน่อ่คือดูมาจากเหตุ